เาคยทกระเป๋าเงินหายบ้างไหมชอว่าคงเคยนะกันทุกคนและได้คืนบ้างไหมไม่ได้อะเขามีเขาพบว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้มีโอกาสได้คืนมากก็คือเอารูปเด็กนะรูปเด็กน่ารักเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋านะเด็กที่น่ารักเด็กที่กาลังยิ้มนะเด็กทาลกยิ่งดีเลยนะเขามีการทดลองนะ อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะแต่ว่าเป็นที่ประเทศอังกฤษเราบอกว่าถ้ามีในกระเป๋าเงินเนี่ยมีภาพเด็กน่ารักอย่างที่ว่านี่มีโอกาสจะเขาบอกว่ามันมีการส่งกลับคืนมา 88% นะ 88% แต่ถ้าเป็นภาพหมาภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะได้คืนมาประมาณ 50% ต้นๆ น, น, นะ แล้วถ้าเป็นภาพครอบครัวอุ่นนะพ่อแม่เด็กนะกำลังยิ้มมีความสุขก็จะได้มาก็ได้มาสักประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าไม่มีภาพอะไรเลยนะที่เขาทดลองเนี่ยก็ได้กลับคืนมาแค่15เปอร์เซ็นต์นะไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่ใส่ภาพอะไรเลยเนี่ยได้มา15เปอร์เซ็นต์กลับคืนมาอันนี้ก็ททำที่ประเทศอังกฤษนะ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 จะมีโอกาสได้คืนสูงมากนะมากกว่ า, าเงื่อนไขหรือกรณีอื่นๆืนะ่อันนี้ก็ไม่รับรองที่เมืองไทยนะแต่คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสมีโอกาสมากกว่ามากกว่าไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าคนที่เก็บได้นี่เขาสงสารหรือเปล่านะนะเขาสงสารเจ้าของกระเป๋า ก็อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าคงไม่ใช่สายเหตุสาคัญนะเหตุสาคัญคือว่าพอใครก็ตามที่เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วก็ในกระเป๋านะั้นมีภาพเด็กกาลังยิ้มน่ารักเนี่ยคนที่เก็บได้ก็จะพลอยมีความสุขนะเวลาเราเห็นเด็กยิ้มเนี่ยใจเราก็พลอยยิ้มด้วยเวลาเราเห็นเด็กมีความสุขนะใจเราก็พลอยมีความสุขด้วยนะ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 เราจะพูดในแง่ที่ว่าในแง่ของใจของคนเนี่ยนะเวลาเห็นใครมีความสุขเนี่ยเราก็พลอยมีความสุขและความสุขที่เกิดขึ้นกับใจของคนที่เจอกระเป๋าได้เนี่ยมันทำให้อยากจะทำความดีเรื่องน้อยเนี่ยไม่อยากทำความชั่วนะเวลาใจเราสบายๆเนี่ยนะมันเรียกว่าตอนนั้นเกิดอุกุสรธรรมขึ้นในใจนะ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 หรือว่าพลังฝ่ายลบเนี่ยเข้ามาครอบงาใจคนเราเนี่ยในจิตใจคนเรามีทั้งสองพลังนะพลังฝ่ายบวกพลังฝ่ายลบหรือว่าความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับความเหี้ยตัวคนเราจะทำความดีก็เพราะว่าพลังฝ่ายบวกมันได้รับการกระตุ้นแล้วการกระตุ้นเราบางครั้งเนี่ยเขาก็พบนะว่าคนเราทำความดีได้ง่าย นะหรือว่ามีความเมตตาถ้าว่ามีอะไรมาจูงใจหรือโน้มน้าวนะเช่นระหว่างที่เดินผ่านห้องห้องหนึ่งแล้วก็เห็นพระพุทธรูปหรือว่าเห็นวิวทิวทัศสวยงามเห็นภาพเด็กยิ้มนะเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่โต๊อาจจะกาลังสอบอยู่หรือว่ากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ได้เห็นคนเดินผ่านมาแล้วเขา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 ช่วยเก็บดินสอให้กับคนที่ทำดินสอตกแต่พอเห็นเงินเห็นเงิ น, เ ห, น, เ, หนเห็นรูปภาพธุรกิจเห็นย่านศูนย์การค้าเนี่ยมันความรู้สึกโรภความรู้สึกเห็นกับตัวมันเกิดขึ้นนะถึงตอนนั้นเนี่ยความเอื้อเฟื้มก็น้อยลง อ, นนอันนี้ไม่ได้พูดเองนะมันมีคนเขาศึกษาวิจัยนะแล้วก็เพราะว่าอย่างคนเรานี่ คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันได้ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีอะไรข้างในอยู่ในใจแต่เป็นเพราะอาศัยปัจจัยภายนอกด้วยว่าเป็นสิ่งเราสิ่งเราอารมณ์แบบไหนหรือว่าสิ่งเรากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมนะแล้วนี่ก็มันก็เป็นกับเราทุกคนนะั่นนะเราทุกคนก็มีทั้งพลังฝ่ายบวกพลังฝ่ายลบหรือว่าความฝ่ายดีและความฝ่ายต่ำอย่างีตัว บางครั้งเราทําดีก็เพราะว่าพลังพลังฝ่ายดีเนี่ยมันเอาชนะพลังส่ายลบได้แต่ที่พลังฝ่ายดีพลังฝ่ายบวกเอาชนะได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากปัจจยัยแวดล้อ ม, มเห็นภาพเด็ก<ม>เห็นภาพผูทูลรูป<ม>เห็นภาพวิทิทัศนะแต่ถ้าคนที่ฝึกมาดีนะมันไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะมันสามารถจะปลูกเราขึ้นมาได้เองโดยเพราะจาทําเป็นนิสัยนะเช่นถ้าเออเฟอร์เกอร์คุณเป็นนิสัยเนี่ยนะ ก็สามารถที่จะก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งเล่าเห็นใครทางกระเป๋าเงินตกก็รีบหาทางส่งคืนให้เลยนะเราต้องมาถึงจุดนี้ได้คือว่าสามารถที่ทําให้ฝลังฝ่ายดีมันยั่งยืนในใจเราไม่ต้องอาศัยสิ่งเล่าหรือว่าสิ่งกระตุ้นภายนอกนะแต่สําหรับคนทั่วไปวก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แหละสิ่งเล้าภายนอกช่วยด้วยนะเพราะว่าคนที่จะทําความดีด้วยพลังภายในใ จ, ใจิตใจตัวเองล้วนๆเนี่ยมันมีน้อยนะ ต้องอาศัยตัวช่วยคือปัจจัยภายนอกด้วยอาละเตรียมรับพร